มาตุรักิตาจักขันธจักที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลส2 3มารดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชัยชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาศินไทยและพัญญาที่อยู่ด้วย ความพอใจของชายชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังคาทิเศสบานดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาศินไทยและพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้า เป็นพันยาสินไทยและพันยาที่เข้าพิธีสมรสเป็นพันยาสินไทยและพันยาที่ถูกปร่งเทิดเป็นพันยาสินไทยและพันยาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพันยาเป็นพันยาสินไทยและพันยาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพันยาเป็นพันยาสินไทยและพันยาที่เป็นเฉลยเป็นพัญญาศินไทยและพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังคาทิเศตคันธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลจบพัทธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งสามมารดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายเชื่อนี้ว่า หญิงนั้นขอเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาชั่วคราวเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาสินไถยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังฆาธิเศษพัทธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบ พัตจักที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่2ถึงแย่อไว้แล้วพัตจักที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9 325มยาารดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาชั่วคราวและเป็นพัญญาสินไทย เป็นพัญญาชั่วคราวและภัญญาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคาไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศสขันธจักและพัทธจักแห่งมาตุรกักิตาจักมีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลจบแม้ขันธจักและพัทธจักแห่งมาตุรักิตาจักที่มีพัญญาสองคนเป็นมูลตลอดถึงขันธจักและพัทธจักแห่งมาตุรกักิตาจัก ที่มีพัญญาเก้าคนเป็นมูลก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือพัทธจักรที่มีพัญญาสิบคนเป็นมูลพัทธจักรที่มีพัญญาสิบคนเป็นมูล326มารดาของหญิงที่อยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาศินไทยเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจ เป็นพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นพัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นพัญญาที่ถูกปลงเทิดเป็นพัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นเฉลยและเป็นพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคาไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศษ มาตุรคกิตาจักจบปิตุรคกิตาจักสปริธันทาจักนิเคปะบทบิดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาขอร้องภิกษุมารดาบิดาของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาขอร้องภิกษุพี่ชายน้องชายของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายขอร้องภิกษุ พี่สาวน้องสาวของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวขอร้องภิกษุญาติของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติขอร้องภิกษุตระกูลของหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลขอร้องภิกษุผู้ร่วมประพฤติธรรมของหญิงที่มีธรรมคุ้มครองขอร้องภิกษุโคมันของหญิงที่มีข้อมันขอร้องภิกษุพระราชาผู้ตรากฎหมายสำหรับ หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพันยาสินไถ่ของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังคาทิเศตนิเคปะ บ, บทจบสัพปริทันธาจักนิเขป บ, บทพระราชาพุตรากฎหมายสาหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่า พระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายเชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นพัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นพัญญาที่ถูกปรงเทิดเป็นพัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นเฉลย เป็นพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุ ร, รับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศสนิเขปะ บ, บทจบคันธจักที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูล327พระราชผาู้ตรากฎหมายสําหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจ เป็นพัญญาสินไทยและพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศษพัทธจักที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่ง328พระราชาพุทรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองคร อ, องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจ และพัญญาที่อยู่พระสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาชั่วคราวเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาสินไทยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคาไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศปพัทธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบพัทธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่2ถึงย่อไว้แล้ว พัตธาจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9 329พระราชาพุทรากฎหมายสําหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาชั่วคราวและเป็นพัญญาสินไทยเป็นพัญญาชั่วคราวและพัญญาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอก ต้องอบัตสังฆาทิเศษพัตจักที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลจบแม้ขันธจักรและพัตจักแห่งสัปริธันธจักที่มีพัญญาสองคนเป็นมูลตลอดถึงขันธจักรและพัตจักแห่งสัปริธันธาจักที่มีพัญญาเก้าคนเป็นมูลก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือพัตจักที่มีพัญญาสิบคนเป็นมูลพัตจักที่มีพัญญาสิบคนเป็นมูล 330ราพระาชาพุตรากฎหมายสำหรับหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าหญิงนั้นขอเป็นพัญญาสินไทยเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นพัญญาที่อยู่พระสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นพัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นพัญญาที่ถูกปลงเทดิดเป็นพัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพัญญา เป็นพัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นเฉลยและเป็นพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษรรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศษทันทะทิปปิตะจักจบมาตุรักขิตาจักนิเค ป, ปบทหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิสูุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่า ดิฉันขอเป็นพัญญาสินไทยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศษหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นพัญญาที่อยู่พระสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นพัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นพัญญาถูกปงเทอ เป็นพัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นเฉลยเป็นพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศตนิเคปะบทจบคันทัจักที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูล3ามอหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้า ท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจของชายชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังคาทีิเศตหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพราะคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่อยู่พระสมบัติขอเป็นพัญญาศินไทยและพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตรสังฆาทิเศษพัทจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งสามร้ิงที่อยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาที่อยู่พระสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาชั่วคราว เป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาสินไทยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาธิเศษพัตจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่1จบพัตจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่2อถึงแย่อไว้แล้วพัตจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาขอร้องภิกษุว่า พระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพัญญาชั่วคราวและเป็นพัญญาสินไทยเป็นพัญญาชั่วคราวและพัญญาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังคาทิเศตขันธจักรและพัทธจักรแห่งมาตุรักิตาจักที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูล คันทจักและพัตจักแห่งมาตุรักิตาจักที่มีพัญญาสองคนเป็นมูลเป็นต้นก็พึงขยายตามนี้ต่อไปนี้คือพัตตจักที่มีพัญญาสิบคนเป็นมูลพัตตจักที่มีพัญญาสิบคนเป็นมูล33มรยิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมานดาขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพัญญาสินไทย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 ต้องอบัตสังฆาทิเศตมาตุรักขิตาจักอีกในหนึ่งจบนิเขปปบทหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของบิดาครองภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของมารดาบิดาคร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่ชายน้องชายคร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของพี่สาวน้องสาวคร้องภิกษุหญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของญาติครองภิกษุ หญิงที่ยังอยู่ในความปกครองของตระกูลขอร้องภิกษุหญิงที่มีธรรมคุ้มครองขอร้องภิกษุหญิงที่มีคู่มั่นขอร้องภิกษุหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพัญญาสินไทยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศษหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่า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 กลับมาบอกต้องเอาบัตรสังฆาธิเศษสับ ป, ปริทันธาจักรคันธจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูล334หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าที่ฉันขอเป็นพัญญาสินไทยและพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นพัญญาศินไทยและพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอก กลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศตพัตจักที่มีพันยาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งส3 5หหญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพันยาที่อยู่ด้วยความพอใจและพันยาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นพัญยาที่อยู่ด้วยความพอใจและพัญญาชั่วคราวเป็นพันยาที่อยู่ด้วยความพอใจและพันยาศินไทยของชายชื่อนี้ ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศษพัตจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่หนึ่งจบพัตจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่2ถึง8ย่อไว้แล้วพัตจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลหมวดที่9 3 3 6หญิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าเพราะคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพัญญาชั่วคราว และพัญญาศิลไทยเป็นพัญญาชั่วคราวและพัญญาที่เป็นเฉลยของชายชื่อนี้ภิกษุรับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศษคันทจักรและพัตตจักรแห่งสัพปริทันธาจักรที่มีพัญญาคนหนึ่งเป็นมูลจบคันธจักรและพัตตจักรแห่งสัพปริทันธาจักรที่มีพัญญาสองคนเป็นมูลเป็นต้นก็พึงขยายตามแบบนี้ต่อไปนี้คือ พัตจักรที่มีพัญญาสิบคนเป็นมูลพรัตจักรที่มีพัญญาสิบคนเป็นมูล337ยสิงที่มีกฎหมายคุ้มครองขอร้องภิกษุว่าพระคุณเจ้าท่านช่วยไปบอกชายชื่อนี้ว่าดิฉันขอเป็นพัญญาศินไทยเป็นพัญญาที่อยู่ด้วยความพอใจเป็นพัญญาที่อยู่เพราะสมบัติเป็นพัญญาที่อยู่เพราะแผ่นผ้าเป็นพัญญาที่เข้าพิธีสมรสเป็นพัญญาที่ถูกปลงเทิด เป็นพัญญาที่เป็นทั้งคนรับใช้เป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นทั้งลูกจ้างเป็นทั้งพัญญาเป็นพัญญาที่เป็นเฉลยและพัญญาชั่วคราวของชายชื่อนี้ภิกษุรับคำไปบอกกลับมาบอกต้องอบัตสังฆาทิเศษสัปปริทันทาจักอีกในหนึ่งจบจักเปยยานทั้งมวลจบ